ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2554มีชื่อเรื่องว่าเปรตขอส่วนบุญ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 ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็ได้ปรับปรุงแก้ไขกายวา่าใจใจของเราอันนี้ก็เกิดประโยชน์แต่ว่าภาวนามายปัญญานี้เป็นทำคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักของพระพุทธศาสนาส่วนสุตตมัญปัญญากับจินตามัจปัญญาเป็นปัญญาทั่วทวไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะรู้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 ถ้าหาว่าคนโบราณเขาไม่จัดวันเอาไว้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังวันไหนก็ทำคุณงามความดีได้ทุกวันแต่ผลที่สุดเกลงไม่ทำสักวันเพราะนั้นคนโบราณเขายังให้ถือว่าวันเดือนเก้าดับเนี่ยให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงรับดับขันไปบางท่านเมื่อตายไปแล้ว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 ปองสาคนาญาติเขาบเป็นเปรตอสุรกายเป็นเปรตระวิสัยวิญญาณอย่างล่องลอยแต่ไปที่ไหนไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีบุญเพราะนั้นวิญญาณสองวิญญาณนี้เมื่อพวกญาติทําบุญอุทิศสวนกุศลให้วิญญาณนี้จะไปสู่สุคติหรือว่าไปเกิดได้แต่ถ้าว่าไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลวิญญาณนี้ก็จะสะวยรรคตอยู่ตามลําพัง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 ของไปชนีนั้นก็ต้องกลับมาหาผู้กระทํถาถรมนายไปชนีเป็นผู้ซื่อสัตย์ น, นี้การกระทําบุญของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นอันนี้คนโบราณเขาถือกันมาวันนั้นมาถึงทุคของพวกเราพวกเราก็ที่ว่าเป็นประโยชน์เพราะพ่อแม่พี่น้องเป็นผู้มีอุปกรณคุณพวกเราก็ต้องทําบุญลําลึกถึงตักคุณของท่านอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตร ธ, ธิดาบุตร ล, ลูกหลานในหลักของพุทธศาสนาว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจภุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธายาวท่านไม่ให้ปล่อยป่าละเลยเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็เราไม่ได้เลี้ยงดูท่านแล้วก็ปล่อยป่าละเลยไม่โธ่เพราะเหตุว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนจุดเท้าเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นสมบัติที่ท่านให้ยังมีอยู่กับเราเมื่อเราได้ทําการทํางานขึ้นมาแล้วเราก็ ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีสำหรับพุทธมามะกะพุทธบริษัทถ้าหาว่าเปรียบเทียบมีไหมในครั้งพุทธกาลในพระไตรปิฎกท่านกว่าในพระไตรปิฎกมีชัดเจนไม่หลายแห่งด้วยแต่จะยกให้ฟังก็คือเปรตพระเจ้าพิมพิศารที่พวกเราจะเห็นได้ชัดก็คือในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์สเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคักยึพระพุทธองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นท่านก็ได้สเสด็จมาที่กรุงราชคักยและก็ได้สร้างวัดป่าวเวลุวันในกรุงราชคักยพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดป่าวเวลุวันในเมื่อพระเจ้าพิมพิสาร เห็นพระพุทธเจ้ากับพร้อมกับพระสงฆ์เสด็จประทับอยู่ในอุทยานของพระองค์คือเป็นป่าไม้ไผ่เป็นอุทยานป่าไม้ไผ่เป็นที่ให้เจือกระแตของพระเจ้าพิมพิสารแต่นี้พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่นั่นพร้อมกับพระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารก็เห็นว่าเป็นที่สับปายะสําหรับพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารก็เลยกล่าวถวาย กับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็นิ่งแรียว่าพระพุทธองค์รับนิยตือว่าเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาคือวัดป่าเวลุวันในเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ให้พรพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายน้ําทักขิโนทกอุเทศวนกุศลถวายไว้ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมวา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 พระเจ้าพิมพิสารนอนไม่หล่ะตอนเช้ามามักลาพระพุทธเจ้าแต่เช้าพระพุทธองค์เขาถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบพิษเมื่อคืนนี้คงนอนหลับสนิทดีพระเจ้าพิมพิสาราาบอกโอ้ข้าพระองค์นอนไม่หลับเลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเพราะสิ่งไม่คาดคิดว่าไม่รู้อะไรห้อยโหนอยู่ที่หน้าต่างอยู่ในเวียงวังของข้าพระองค์สารวจนุ่นวายไปหมดพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหะ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 ไม่แบ่งให้แขกแก่ใครเลยลักษณะอย่างนั้นพระองค์ทําบุญเสร็จแล้วก็พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงใครเลยแต่ญาติพี่น้องของพระองค์ในอดีตชาติเขายังทุกอยู่เขาเป็นเปรตเขาจึงมาคอยรอรับบุญกุศลแต่พระองค์ไม่ได้ให้เขาเขาจึ ง, แ ส, งแสดงตนให้ปรากฏให้เห็นจากนั้นพระเจ้าพี่พิสารก็รับจากนั้นวันรุ่งขึ้น วันนั้นก็ได้กราบพระราชนาภ พ, พุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันได้เวียงวังจากนั้นพระองค์ก็ได้ถวายพระทหารพระสงฆ์พอถวายเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอย่างที่พระพุทธองคนะ์ได้แนะนําว่าบุญกุศลที่ใดทําในวันนี้ก็ขอให้ญาติพี่น้องในอดีตชาติที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกๆวิญญาณด้วยเถิด จากนั้นวิญญาณเปรตเหล่านั้นก็เขาก็ได้รับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพ์พิสาร ใ, ในวันรุ่งขึ้นในคืนในวันอีกแต่ดูแล้วทีเปรตเหล่านั้นอ้อนทวนสมบูรณ์แต่ไม่มีเสื้อผ้าจากนั้นเห็นจังเห็นอีกอยู่พระเจ้าพิมพ์พิสานก็เกลยมากราบพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้ประทานแต่อาหารไม่ได้ประทาน ผ้าเพราะนั้นเปรตเหล่านั้นจึงไม่ได้รับได้รับแต่อาหารเเขาจึงแสดงตนให้ปรากฏต่อวันรุ่งขึ้นมาพระเจ้าปิมพิสารนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์เป็นพระอระหันต์ไปฉันที่เวียงวังก็ได้จวายพระทาหารพร้อมกับผ้าเปรตเหล่านั้นจากนั้นท่านก็ได้อุทิศส่วนกุศลด้วยอาหารและผ้าขอให้ดวงวิญญาณ ของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอให้มีได้สมดุลความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาจากนั้นเปรตเท่านั้นก็ได้รับส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพ์พิสารแล้วเขาก็ไปหาเกิดในภพภูมิตามที่บุญกุศลเขาได้ทำเอาไว้ในอดีตแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ว่าทําไมเปรตพระเจ้าพิมพิสารมีมาจากสมัยไหนถึงจะมา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 ตอ้พอมาโปรดพระบิดาที่เวียงวังพระบิดาก็ทำกำแพงล้อมรอบวัดกับวังอยู่ในที่เดียวกันทำให้กว้างเลยล้อมรอบประชาชนไม่มีใครได้ทำบุญด้วยเพราะพระพุทธเจ้าเนะั่นเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกชายเพราะนั้นท่านจึงถือว่าพระพุทธเจ้าะธรทมประสงค์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทาบุญ จนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะหาใหม่เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่แท่นได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่เป็นของของข้าพเจ้าแต่นี้พระพุทธองค์ก็เห็นว่าอายุสมัยนักคนยืนยาวก็ควรจะโปรดพระบิดาของพระองค์พระองค์ก็บินทบาทกับพระบิดาพระบิดาก็ถวายทุกอย่างให้พระสงฆ์อยู่ในวัดติดกระเวียงวัง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 ทหารในชนบทนะ่ะมันเกิดสุขสงครามยังไงเอาให้พวกทหารสามพี่น้องเนะี่ยที่เป็นลูกชายเนะี่ยไปยกกองพลออกไปปราบปัจจามิตรแต่นี้พวกนีเกิดยกออกไปพอยกไปได้ไปเห็นพวกเดียวกันพวกนั้นก็หยุดพอหยุดแล้วก็แปลว่าปราบเรียบร้อยแ ล, แล้วกลับมากลับมาพระบิดาก็ดีพระไทยดีใจ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 ให้ไม่ได้ในะจุดนี้ทั้งนี้ลูกชายทั้งสคนเอาพ่อประทานพรให้แล้วนี่ยถึงจะประทานพรก็เถอะนะพ่อให้ไม่ได้ทางนั้นพวกผมขอปฏิบัติพระพุทธเจ้ายักเจ็ดปีได้ไหมพระบิดาพรนะบิดาโอ้เกินไปเจปีเอาขอเจเดือนเจเดือนก็เกินไปสมเดือนเอาคนละเดือนอลูกชายสามคนเอาคนละเดือนอา้าวตกลงถ้าสามเดือนเอาคนละเดือนกันนะ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 พอจัดการท่นี้ก่อนที่แรกก็เป็นไปด้วยดีพอต่อมาท่านกับริษัทมากพราพระพุทธเจ้าเป็นแสนพร้อมกับพระสงฆ์เนี่ยเป็นแสนเลี้ยงคนเป็นแสนก็ต้องทําอาหารมากทีนี้พอทําอาหารไปใหม่ๆก็ดีพอต่อมาพวกทาหารหรือว่าพวกบริวารของเจ้าชายทั้งสามคนนะก็ที่แรกก็กลัวบาปกต่อมาก็ไม่กลัวบาปกินก่อนพระสงฆ์บัง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 ตายจากชาตินั้นมามาถึงชาตินี้สามพี่น้องได้เป็นมาเกิดเป็นอุรุเวลานาทีกจัจปะที่เป็นสามพี่น้องแต่ในชาตินั้นท่านมีทหารอยู่พันคนในสามพี่น้องมีทหารอยู่พันคนปวดเป็นส ม, มเณรหมดทั้งพันกับสามคนคือสามคนคือหัวหน้าอุลุเวลากัจจปะนาทีกจัจป ะ, นะ ะ, จปะขยากจัจจปะ ลุเวลากษัตรปนันาถิกษัตยปัตยากษบตรปัสามพี่น้องก็มีบริวารพันทหารพันคนนี่แหละมาเกิดชาตินี้ทหารพันคนก็ยังมาเกิดด้วยอยู่นะยังเป็นทหารหานยังเป็นชดินที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้แล้วไปปดฉดินสามพี่น้องนะ่ะที่ว่าเทศอดิตตปริยายสูตรให้แก่ฉดินสามพี่น้องก็คือนี่แหละทหารของเอในคราวนั้นะ่ะที่เป็น เกิดมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทโมตตระแต่ขุนคลังนั้นเป็นใครเป็นพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นขุนคลังที่เบิกเงินที่มอบเงินให้แก่ขุนคลังขุนคลังก็จ่ายเงินตามหน้าที่ขุนคลังก็ไม่บาปเพราะเหอะไรเพราะขุนคลังจ่ายตามหน้าที่แต่ว่าบริวาร น, นะที่กินเงินของขุนคลังไปที่นี้แหละเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกนั้นก็ พอออกจากชาตินั้นส่วนขุนคลังนี่ยกับไปสู่สวรรค์แต่ส่วนเจ้าฟ้าชายกับทหารเนี่ยกับไปสู่สวรรค์เพราะทําบุญแต่พวกบริวาร น, นั้นก็ตกนรกเน่ยไปคนละทิศละทางกันจากนั้นก็พอเกิดขึ้นมามาเป็นเปรตเป็นเปรดล่องลอยเป็นเปรดที่หิวโซเป็นเปรดที่หิวหอยเพราะใช้กรรมที่ตนทำไม่ไวในชาตินั้นพอมาถึงชาตินี้ ติดตามมาตลอดติดตามพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสานเกิดณสถานที่ใดเปรตมวกนี้จ้องดูแลอยู่พอพระเจ้าพิมพ์พิสารมาเกิดในชาตินี้ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าคิดว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารจะอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเองแพระเจ้าพิมพ์ิสารก็ไม่ได้คิดถึงเปรตเหล่านั้นเพราะพระเจ้าพิมพ์ิสารไม่รู้พอที่สุดเปรตก็เลยแสดงตนให้ปรากฏ ให้ปรากฏให้ขนขังให้ปรากฏจากนั้นพระเจ้าผิมพิสารก็ได้อุธส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นก็ได้พ้นทุกข์นี่แหละอันนี้คื อ, คอในหลักของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านพูดยืนยันไว้อย่างนั้นในสูตรหนึ่งนักธรมีหลายๆสูตรเรื่องเปรตที่อยู่ในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือตายแล้วไมตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีก วิญญาณของสรพสัตทั้งหลายใครทํากรรมอันไหนไว้พวกนั้นจะต้องได้รับกลับเพราะฉะนั้นท่านยึงตรัสไว้ว่าอากต่างลุกตัางเสยโยปัจฉาตปติลุ ก, กตังาตตกกตงกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามตนเองเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องเปรตของพระเจ้าพิมพิสารมาในพระไตรปิฎกขอให้พระนะัทจิญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่าน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 นรกมีสวรรค์มีเปรตมีทานทำไม่ดีแล้วก็ไปสู่ทุกขติตกนรกเป็นสัตว์ทรจชานไปได้ทั้งนั้นในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีสั่งสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตใจแล้วก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาไหว้พระสวดมนต์อาตมาภาพเองจะขอแนะนำเรื่องการภาวนา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 เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะเป็นอันตภานเป็นคนภาลชนใจตรงนั้นเป็นภาลชนมาบาังคับกายตรงนี้กายตรงนี้ก็ไปในทางที่ไม่ดีเหมือนกันเพรา ะ, ะไรเหมือนกับเราขับรถถ้าคนขับรถนิสัยไม่ดีเมื่อขึ้นไปขับรถเห็นอะไรก็เหยียบเห็นอะไรก็ปีกแกไล่ไปไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันแกลก็คือวาจาของพวกเราตัวรถก็คือร่างกายของพวกเรา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 ถ้ารวมจิตรวมสงบรงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครแต่นี้นเมื่อจิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วเ พ, พราะพรุทธเจ้าท่านไม่ให้จุดอยู่เพียงแค่นั้นท่านให้พิจารณาอันนั้นคือสมถะจะท่านให้เดินปัญญาคือแนวความคิดคิดกวา่ากายของเราใจของเราเดี๋ยวนี้ทําไมเราคิดว่าเราหลงอะไรเราอยู่กับร่างกาย ร่างกายนะี้จะเป็นของของเราเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมหรือใจใจก็จะต่อว่าถ้าหากว่าเป็นของเราเราจะบอกบอกวนะ่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเราบอกได้ไหมหรือใจ เ, อเมื่อเราจิตใจของเราสงบแล้วเนะ่ะเราจะรู้ได้นะเพราะว่ากายกับใจเราแบ่งแยกกันได้ไหมมันคนละอันกันเขาก็ถามใจถามตัวเอง